การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดศึกษาพระธรรมเราต้องระลึลกไว้เสมอว่าพระธรรมพระธรรมเนี่ยถ้าใช้คําว่าพระธรรมก็เรานึกถึงอะไรก่อนถ้าตั้งคำถามนะบอกว่า เ, ออเราเนี่ยอยากจะฟังธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะเจริญในธรรมเราต้องนึกถึงว่าเราที่เราสวดทุกวันนั่นแหละสวาขาโตภควตาธรรมโม สิ่งนี้ต้องนึกให้ได้ก่อนพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วแสดงไว้อย่างถูกต้องแล้วถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเราต้องระลึกถึงประโยคที่เต็มของคําว่าธรรมะให้ได้ว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทีนี้คําว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่นะพระธรรมนั้นคืออะไรบ้างถ้าเราจะเอาเฉพาะคําว่าพระธรรมอย่างเดียวเน้นหัวข้อธรรมะอย่างเดียว บอกว่าสวากขาโตพระคาวตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคก้าวตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ศึกษาได้และปฏิบัติได้ให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติก็เพิงรู้ได้เฉพาะตนหรือว่าวินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตนก็คือสวาขาโตนั่นแหละ ในอิติปิโสนะพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่วินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นธรรมที่อุคติตัญยูวิปัญจิตันยูนัยยะบุคคลก็รู้ได้เฉพาะตน ถ้าจะระลึกต่อไปอีกให้กว้างไปกว่า น, นั้นอีกก็คื อ, อนะพระธรรมเป็นสิ่งประเสริฐประกอบด้วยคุณคือความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัตและนิพพานเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเป็นธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว นะรกว่ารพระธรรมของพระศาสดาหรือพระธรรมของพระพุทธเจ้าสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปนะนะอย่างเราอยู่ในที่กลางคืนใช่ไหมพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปจำแนกคือมรรคผลนิพพานส่วนใดซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้น ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่เราควรแตควรทําความเข้าใจเป็นลําดับต้นน่ะธรรมะคืออะไรเนี่ยนะถ้าเราชี้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะธรรมะเนี่ยมแปลได้ร้อยเป็นเป็นสิบยี่สิบอย่างก็ได้ น, นะดินก็เป็นธรรมะน้ําก็เป็นธรรมะลมก็เป็นธรรมะไฟก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะดีก็เป็นธรรมะธรรมะตัวนั้นแปลว่าสภาวะถ้าสภาวะแบบนั้ น, นเนี่ยทําไมต้องปฏิบัติ ด, ด้วยใช่ไหมทําไมเราต้องปฏิบัติ นั้นธรรมะเนี่ยที่ที่เราต้องปฏิบัติที่เราต้องเจริญหมายถึงธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมไม่ให้ทาชั่วด้วยกายด้วยวาจาและใจนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ไปสู่ความชั่วด้วยกายวาจาและใจผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ไปสู่ภพที่ชั่ว อย่างถ้าหากว่าเราเห็นพวกเดรัราชานทั้งหลายเราก็บอกว่านี่นะอดีตเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะถ้าเขาปฏิบัติธรรมเขาไม่มาสู่สถานที่ชั่วแบบนี้หรอก น, น, นะสมมติถ้ยุงมากัดเราเราคิด ย, ไไยังไงกันเนี่ยอ่ะยุงเอออดีตเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเป็นแน่เจ้าจึงมาเกิดเป็นยุงเห็นมนุษย์นะเราบอกเออเขาเคยปฏิบัติธรรมมานะเขาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นก็นึกระวังเหตุกับผล นั้นธรรมะนั้นการศึกษาธรรมะคือศึกษาเหตุและผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดคนที่เชื่อมโยงในลักษณะนี้นได้เรียกว่าเข้าใจธรรมะและที่สำคัญเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าทำที่นำออกจากทุกเนี่ยนะทอถ้าใครทำวัดเช้าบ่อยๆเนี่ย พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นเครื่องเอเป็นเครื่องนําออกจากทุกขหรือว่าเป็นธรรมที่นําออกจากทุกเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่ารู้ว่าไงนะก็คือ อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้หรือว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระตถาคตนั้นนะ่ะคือใคระเดี๋ยวค่อยกล่าวนนะเรื่องนี้มันยาวอ่วั้นเถอะไม่ต้องห่วงถ้าให้เวลาห้าชั่วโมงนี่ก็จะพูดได่ห้าชั่วโมงแต่เชื่อเถอะเขามาไม่ทูดนานขนาดนั้นหรอกหมายถาว่าอพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คําว่าตถาคตเนี่ยตถาอาคตโตแปล ว, ว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้น ธาตุฐาคตเนี่ยนะหมายถึงว่าผู้ที่มามือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเช่นพระพุทธเจ้า ว, วิปสัสสีสิกีเวสภูกะกูสันทโกนาขมนกัสสะพระองค์เหล่านั้นเนี่ยนะปฏิบัติเช่นใดจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตปฏิปทาเช่นใดมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็อย่างนั้น องปฏิบัติข้อปฏิบัติตามแนวทางจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าพระตถาคตแปลว่าผู้ที่มาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาอย่างไรก็มาอย่างนั้ น, น, นหมายค่าว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนสร้างบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมัทธบารมีสิบมหาบริจักห้าอธิษฐานธรรมสี่จริยาสามเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระตถาคตเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไปจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ท่นนี้พฤติกรรมการกระทาของพระพุทธเจ้าคืออะไร และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะทรงแสดงธรรมแล้วเขไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรำโลกนี้ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมมาณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามและ ว, วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะสอนทำอันไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางไพราะในที่สุดไพราะในเบื้องต้นด้วยศีลสมถะไพระในท่ามกลางด้วยวิปัสนาและอริยมยรรคไพร่ในที่สุดคืออริยผลทั้งหลายอันพระองค์แสดงธรรมแล้วไพราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรคือศิกขาสามเรียกว่ า, าศาสนพรหมจรร์ ทรงประกาศพรหมจรรย์คืออริยมรรคพรหมจรรย์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดระดับโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอานาคามิรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะพราฉะนั้นพระองค์เนี่ยประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์รบริบูรณ์สิ้นเชิงหมายคือว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยจบลงที่อรหัตผลเฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจบลงที่เป็นผ้าหานันแล้วต่อไปบอกว่า พระองค์นั้นประกาศพรรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะนั้นการแสดงของพระพุทธเจ้านั้นจะสละสลวยสมบูรณ์ทุกประการนั่นแหละคือพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์มีคุณสมบัติเป็นอย่างนั้นและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องนำออกจากทุกเนี่นะพระธรรมที่พร ะ, พระองค์แสดงเนี่ยนะพระธรรมนั้นน่ะนออกจากทุกได้ ท hmm. ko ีถามยอมหมดบอกแม่อยากพน้นทุกข์แล้วเกินแล้วทุกข์อะไรบ้างอ่ะแม่ทุกข์แล้วเกินทุกทุกทุกทุกทุกทุกอะไรบ้างอ่ะเรามีทุกข์อะไรบ้างเราต้องตอบตอบให้ได้เหมือนกันนะถ้าเราปรารถนาจะพ้นทุกข์เราต้องรู้ว่าเราทุกข์อะไรเหมือนกันมันเหมือนอย่างว่าแม้อยากหายป่วยแล้วเกินแล้วคุณเป็นโรคอะไรบอกไม่รู้เออแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าหายป่วยมันเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันเอาบอกว่าอยากเรื่องนี่อยากหมดนี่แล้วเกินแล้วคุณมีนี่อะไรบ้างบอกไม่รู้โอยทําไมขนาดนี้ก็เป็นทาตแล้วมั้งอย่างนั้น มันจะบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะเป็นผู้มีทุกข์เราทุกข์อะไรบ้างต้องมาไล่ดูก่อนว่าเรามีทุกข์อะไรบ้างแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เอาเทียบง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดมาจวบจนวันนี้เนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยยิ้มอย่างสดชื่นกับขมขื่นอะไรมากกว่ากันนะ แมมีความสุขมากดีใจมากฉลองวันเกิดแฮปปี้เบอร์เต้ดีใจจริงๆริงนะนะแมถ้าไม่ได้เกิดนี่คงเสียใจแย่เลยนะมีบุญเหลือเกินที่ได้มาเกิดเนี่ยนะได้มาแบกขันห้าน้ําหนักห้าหกเจ็ดแปดสิบกิโลก็แบกไปเนี่ยนะนะดีใจมากที่มาแบกน้ําหนักเนี่ยนะนะดีใจมากต้องมาหาทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันเนี่ยทําไร่ไถนาอกเชื่อมทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยดีใจมากที่ได้เกิดคราบไม่เกิดจะได้มาอกมาเชื่อมอย่างนี้ไหมนะดีใจมากภูมิใจมากอย่างนั้นไหม เขบอกว่าแม้ความเกิดก็เป <lobster kho> <án> an ็นทุกข์วันถ้าเราจะบอกว่าความทุกข์ที่เรามุ่งจะดับทุกข์เราต้องรู้ว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าเกิดในนรกจะสุขไหมถ้าเกิดเป็นเปรตจะสุขไหมถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานจะสุขไหมถ้ามาเป็นยุงบินว่อนนี่จะมีความสุขไหมถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเรามาไล่ดูเลยแต่ละคนเนี่ยใครมีความสุขจริงๆบ้างแม้อยากเป็นเช่นกับคนนี้จริงๆทําไมเขามีความสุขแท้ สุกตั้งแต่ตื่ตตนขึ้นมาจนหลับอีกรอบก็สุขหมดเลยไม่มีเขามีปัญหาเลยเนี่ยนะแต่เชื่อไหมถ้าใครที่นั่งยิ้มแฮ่ๆอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเขาก็ว่าคนไม่เต็มอีกนั่นแหละใช่ไหมนั่งยิ้มอยู่ได้อะไรตื่นตั้งแต่เช้าแล้วยิ้มจนค่ำอีกทีหนึ่งนะถ้าใครยิ้มขนาดนั้นก็เรียกคนไม่ปกติเอแล้วตกลงว่ามันเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นอชีวิตของผู้ที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะ ก็อย่างว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เนี่ยนะบอกว่าเออหลายๆอย่างเนี่ยถ้าอายุมากๆขึ้นแล้วมันค่อยๆเข้าใจเองแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างอวัยวะของเราทั้งหลายเนี่ยนะตั้งแต่มันมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆในรู้สึกมีความสุขขึ้นไหมบอกน้อยเต็มทีอนนะที่จริงอะ่ะคําว่าแก่เนี่ยบวกด้วยนะมันมีบวกด้วยแต่ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไร บวกอะไรบวกโรคไงย้อนมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าหมอทุกแกรมยังไม่มาสักทีเพราะคนไข้เยอะเขาว่างั้นนะจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่หมายความว่าก็แสดงว่าแก่เนี่ยมันบวกโรคมาด้วยนะบอกว่ามันบวกโรคมาด้วยอ่ามันบวกความเจ็บป่วยมาด้วยบวกความไม่สบายมาด้วยแม้ความตายก็เป็นทุกข์เลยนะโอ้โหพอได้ข่าวว่าตัวเองกระตายนี่เงือทุ่มเลยนะ้โดยมาก แต่ถ้าบอกอีวูอีกนานก็จะตายถ้าอย่างงี้สบายใจแต่บอกว่าเอกไม่กี่นาทีต่อไปนะเหงื่อท่วมเลยกขาบอกแม้เพชรจะฆาดใจเด็ดนักฆ่ามาหาเหยื่อ ม, มากบอกบอกคําสั่งประหารมาเนี่ยปัสสาวะร่วงเลยประมนั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ากลัวตายซะส่วนใหญ่แม้ความตายก็เป็นทุกข์เพราะมั่นใจได้ยังไงว่าตายแล้วจะไปดีนะหรือไม่บางคนเขาบอกอตายแล้วมันไม่เกิดอีกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องพลัดพรากจาก ของรักเนี่ยนะพลาดพลาดจากลูกจากล้านจากทรัพย์สินอุตสาหแวงหามาทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต้องตายนี้จากสิ่งเหล่านี้แล้วเนาะเห็นไหมวันความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกใครว่าโศ ก, กก็คือสะอื้นในอกนะแม้ความสะอื้นในอกก็เป็นทุกข์เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทุกข์ขนาดนั้นใช่ไหยแ ม, ม้วันกลืนน้ำลายไม่ค่อยลงทําไมคอมันฝืดแท้เนี่ยนะเอาน้นําใส่เข้าไปแล้วก็ยังแห้งผากเลยนั่นแหละ มันแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับ f แขนใจก็เป็นทุกข์่ยนะพันถามว่าว่าโดยย่อเนี่ยไอตัวทุกข์มันคืออะไรก็ตั้งคําถามว่าตัวทุกข์คืออะไรก็บอกที่นั่งกันนี้เลยคนละทุกข์คนละทุกข์คนละทุกข์คนละทุกข์พันถ้าเรานั่งห้าสิบคนก็ห้าสิบกองทุกข์เหมือนกันก็ห้าสิบทุกข์ถ้าหากว่ามีเท่าไหร่ก็มีทุกข์เท่านั้นคําว่าทุกข์นี่คืออะไรนิยามของคําว่าทุกข์เนี่ยนะไม่ได้แปลว่าแค่เจ็บปวด แต่แปลว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์คําว่าเกิดก็ทุกข์คำว่าแก่ก็ทุกข์คำว่าเจ็บก็เป็นทุกข์ความว่าไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็สิ่งเหล่านี้ ก, ก็เรียกว่าทุกข์ว่าโดยย oh. ่แบบที่เราสวดมนต์เนี่ยจะสวดว่าอะไรขันห้าคือตัวทุกข์แต่อีกสูตรหนึ่งนะอ่าเรียกว่าว่าโดยย่ขันห้าคือตัวทุกข์อันนี้เรียกว่าพูดตามขันทสูตรขันทสูตร แต่ถ้าแสดงตามอายตนะสูตรเนี่ยบอกว่าไอ้ตัวทุกข์คืออะไรเอา้าถ้าเราไม่มีตาเนี่ยนะนั่งทําตาปิดๆนี่จะทุกข์ไหมห ล, ลายเรื่องเนี่ท่องหลังน้ําตาเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะตาเห็นนั่นแหละจึงหลังน้ําตาแตนะเพราะฉะนั้นตัวทุกข์ก็คือตานี่แหละคือตัวทุกข์นะไม่ใช่สามียายนะหมายว่าเนี่ยที่ลืมตาเนี่ยที่ที่มองเห็นเนี่ยคือตัวทุกข์ละนะว่าโดยย่อตานี่แหละคือตัวทุกข์หูนั่นแหละคือตัว ทุกจมูกนั่นแหละคือตัวทุกลิ้นนี่แหละคือตัวทุกร่างกายนี่แหละคือตัวทุกไล่ไปตั้งกต่ผมมาเนี่ยนะผมนี่แหละคือตัวทุกขนคือตัวทุกเล็บนั่นแหละคือตัวทุกฟันนี่แหละคือตัวทุกผิวหนังนี่แหละคือตัวทุกเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นนี่แหละคือตัวทุกเนี่ยนะเพราฉั้นพวกเนี้ยคือตัวทุกแม้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าจิตใจทั้งหลายไหลมาจากใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไหลมาจากทวารตาใจคือสิ่งที่ไหลมาจากทวารหูทวารจมูกทวารกายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเรียกว่าใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์แม้บางอย่างเนี่ยความคิดเนี่ยมันทุกข์มากเอ้ยเมื่อไรจะเลิกคิดสักทีหนึ่งเพราะแม้ความเกิดความแก่ความตายความเจ็บไข้ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคลับแค้นใจก็เป็นทุกข์ และพระธรรมที่ทรงแสดงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกขะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมเพื่อให้พ้นจากทุกข์แล้วพระองค์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ให้แก่เราได้อย่างไรอันนี้คือถ้าใครอยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องตั้งโจทย์พวกเนี้ยเป็นนะเมื่อตั้งโจทย์เป็นแล้วปฏิบัติก็ไม่ค่อยพลาดก็เหมือนกับว่าเดินทางเนี่ยพขมาว่ามันเป็นเรื่องเดียวในโลกที่ทําด้วยความไม่รู้ ในยุคใหม่เนี่ยนะก็คืออะไรคือการทำบุญให้ทานการปฏิบัติธรรมเป็นต้นเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่แหละเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากทําด้วยความไม่รู้เมื่อทําด้วยความไม่รู้เนี่ยมันมีข้อเสียข้อเสียก็คือไม่ทนทเพราะต่อไปมันก็เบื่อก็เลยเลิกทาเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวเองทําไปทาไม แม้กระทั่งให้ทานเนี่ยถ้าคนไม่รู้ว่าการให้ทานนั้นมันดีมีผลอย่างไรเชื่อบริจาคไปสักระยะหนึ่งให้ของหมดไปเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวก็เลิกแล้วเพราะถือว่าตัวเองหมดไปเยอะแล้วก็เลยเลิอกอย่างคนที่รักษาศีลเนี่ยก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จกักศีลก็ปาณาติปาตาว่าเสร็จก็ว่าเสร็จแล้วก็แล้วกัวกนไปเนี่ยนะแม้กระทั่งการเจริญนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยนะนั่งไปนั่งมานี่มันนั่งหลายๆปีเข้ามันปวดหลังแล้วชักไม่เอาแล้วนะ ชักไม่เอาแล้วใครมาชวนนั่งบนหลังไม่เอาอีกแล้วนะเข็ดจนตายอย่างนั้นไงเนี่ยนั่งจนหลังเสียหมดแล้วอย่างนั้นวันพ่ออะไรพ่อรู้ประโยชน์ของสิ่งที่เราทํำไหมถ้าเราไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้คุณค่าไม่รู้อานิสงส์ในสิ่งที่เราทําอานิสงส์แปลว่ากําไรถ้าเราไม่รู้ในกําไรในสิ่งที่เราทํายังไงก็เลิกนั่นแหละยังไงก็เลิกแต่ถ้าหากว่าเรารู้ผลรู้อานิสงส์รู้คุณค่ารู้ประโยชน์รู้สาระแห่งการปฏิบัติ เราก็จะปฏิปฏบัติได้เนี่ยนะโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะไม่มีคเรียกว่าไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตแห่งการเจริญเจริญจนกว่าจะได้รู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ผู้ที่รู้เห็นแล้วตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกเขาเรียกว่าพุทธาสาวกพุทธาสาวกหรืออีกคำหนึ่งเรียกอนุพุทธผู้ตรัสรู้ตาม ผู้ที่รู้ตามผู้ที่เห็นตามในโลกนี่นะกลุ่มคนที่บรรลุมีอยู่สามประเภทด้วยกันผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยนะบรรลุธรรมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีว่าธรรมะที่ว่านี่คืออะไรนนะการบรรลุธรรมเนี่ยนะผู้ที่บรรลุมีอยู่สามประเภทหนึ่งสัมมาสัมพุทธะสองปัจเจกพุทธะสามสาว ก, กพุทธะ ส่วนพวกที่พูดพูดส่วนใหญ่ก็เป็นสุตะพุทธะได้ยินได้ฟังก็ว่าไปตามนั้นแหละเหมือนกันทีนี้นิยามของคําว่าพุทธะหรือตัสรู้หรือรู้เนี่ยรู้อะไรรู้ธรรมรู้ธรรมรู้ธรรมเนี่ยนะรู้อะไรก็บอกว่ารู้จัตุสัจจะธรรมนะนะรู้อริยสัจจะธรรมทั้นนิยามของคําว่ารู้ธรรมก็คือรู้อริยสัจจะธรรมอย่างบางคนก็บอกโอ้ไปที่ต้นโทพเนี่ยนะไปพระพุทธเจ้าตัสรู้ ค็มถามว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้อะไรที่ใต้ต้นทัศนีมหาโพธิ์ก็ต้องตรัสรู้อริยสัจเออแล้วอริยสัจมีอะไรบ้างแล้วตรัสรู้ว่าอย่างไรเนี่ยนะพวกโจทย์พวกนี้ต้องขยันตั้งมากๆเลยคนที่ขยันตั้งโจทย์อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าฟุงา้งซ่านเขาไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาต้องแยกคําว่าวิจิกิจฉากับคําว่าปริปุชชาให้ให้ดีๆ อเนี่ยมันปฏิบัติทำอย่างนี้ฟุ้งซ่านมีแต่ความสงสัยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสงสัยเขาเรียกว่าใครจะรู้เขาเรียกว่ากัดตุกกรรมยตาฉันทะเขาเรียกว่าลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีศรัทธานั้นปรารถนาที่จะรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราตั้งคาถามไปแล้วเนี่ยใครเป็นคนที่วิจัยเรื่องอยากรู้อยากเห็นมากที่สุดบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้น ตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคนที่ช่างสงสัยที่สุดแต่ไม่ใช่คําว่าสงสัยแบบแบบสงสัยแบบลังเลนะคําที่บอกว่าอย่าสงสัยเนี่ยก็บอกว่าอย่าลังเลแต่ไม่ได้แปลว่าอย่าอยากรู้อย่าอยากเข้าใจให้งูตามเดิมอนุรักษ์นิยมเอาไว้พราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรซักอย่างเลยนะแล้วเหมือนดีอันนี้ไม่ดีแน่นอนนี่เขาเรียกว่าปรารถนาจะรู้พระองค์พระองค์คิดตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ที่พระองค์ตรัสไว้ในหลายสูตรด้วยกันบอกว่าเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราเกิดปริวิตกขึ้นว่าเขาใช้คาว่าปริวิตกก็คือเกิดความคิดขึ้นว่าอะไรเนอเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสำหรับรูปทั้งหลายรูปเนี่ยมันมีความน่าชื่นใจอย่างไรอะไรเนอเป็นพิภยทุกทโทษของรูป อะไรหนอะคือวิธีการสลัดออกจากรูปแค่เรียกว่าถ่ายถอนสลัดออกจากรูปสลัดออกได้อย่างไรพรองก็ตั้งโจทย์เอาไว้สามคนะอะไรหนอะคือความน่าเพลิดเพลินความน่าพอใจความน่า ย, ยินดีของรูปทำไมนอะถ้าหากว่ารูปไม่น่า ย, ยินดีก็ไม่มีใครติดในรูปเป็นแน่แต่ถ้ารูปไม่มีโทษก็ไม่มีใครอยากจะออกจากรูปเป็นแน่ แต่ถ้าไม่มีการสลัดออกที่เที่ยงแท้ก็ไม่มีใครบรรลุทำเป็นแน่อะไรหนอกเป็นความน่ายินดีของรูปบอกว่าความเพลิดเพลินเจริญใจสุกโสมนัตอันใดความสุขความดีใจทั้งหลายนั่นแหละคือเรียกว่าความน่าเพลิดเพลินเจริญใจของรูปแล้วทุกโทษพิษภัยของรูปละ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สิ่งเหล่านี้เป็นโทษของรูปแล้วถามว่าอะไรเป็นวิธีการสลัดออกจากรูปทั้งหลายก็บอกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสลัดออกจากรูปพระองค์บอกอีกนะว่าถ้าเราไม่รู้เห็นสิ่งเหล่านี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ถูกต้องตามเป็นจริงจึงได้ปฏิญาณว่าเป็น พระพุทธเจ้าท่านเราในฐานะผู้ปรารถนาการตรัสรู้ตามเราก็ค่อยมาคิดตามท่านการคิดตามพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมมันมีอยู่สามถวานนะการทาอย่างที่พระพุทธเจ้าพาทำเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าพาพูดเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการคิดตามที่พระพุทธเจ้าพาคิดนั่นแหละเรียกว่าเป็นการ ปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติในโลกนี้ไม่มีพ้นกายวาจาและใจมันมีอยู่สามเนี่ยแค่นี้กายวาจาใจขยายออกมาอีกก็เพิ่มกับตาหูจมูกลิ้นกายใจขยายก็ขยายไปกว่านี้อีกไม่ได้ที่เหลือเว้นไว้แต่ลงในรายละเอียดเท่านั้นเองก็เหลือกับกายวาจากับใจนะนะแล้วเราปฏิบัติอย่างไรกายจึงจะเป็นสุดจริตปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการกระทําที่ถูกต้อง ถ้าปฏิบัติกายได้อย่างถูกต้องอันนั้นเราเรียกว่าเจริญสัมมากัมมันตะถ้าปฏิบัติวาจาได้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวาจาถ้าทําทั้งกายทั้งวาจาถูกต้องแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ได้เรียกว่าอาชีวะสัมมาอาชีวะอันนี้ก็เป็นศีลกายวาจาใจเนี่ยก็กายวาจาเนี่ยก็เป็นศีลที่เหลือเป็นเรื่องของใจทั้งหมดสัมมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของใจสัมมาสังกัปปาก็เป็นเรื่องของ ใจนี่นะเพราะปัญญาก็เกิดกับใจเกิดพร้อมกับใจสมาสังกปะการตรึกนึกคิดทั้งหลายก็เกิดร่วมกับใจสมาสติสติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจความภาคเพียนเพียนทางไหนก็ภาคเพียนอยู่ที่ใจใจสมาธิคืออะไรความไม่ฟุ้งซ่านแห่งใจเรียกวาวิปเกราะอาวิเคปะเนี่ยนะความไม่ฟุ้งซ่านแห่งใจใจไม่ฟุ้งซ่านมาจากคาว่าอวิเคปะใจที่ไม่กําเริบ แต่ทีนี้ใจที่ไม่กำเริบนั้นต้องเป็นใจที่ประกอบด้วยองค์คุณคือความรู้เป็นใจที่ประกอบไปด้วยความรู้เป็นต้นทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามอาริยม ร, รักอันประกอบไปด้วยองค์8การปฏิบัติตามอริยม ร, รักอันประกอบไปด้วยองค์8ปนั่นแหละทีนี้อริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยอยู่ในอริยศาสตร์ไหมเป็นอริยศาสตร์ไหมเป็นเป็นมัคคะอริยศาสตร์หรือที่ใช้คําว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจพันธ์คว่าตรัสรู้เนี่ยนะก็คือตรัสรูท้ทุกขสัจตรัสรู้สมุทัยสัจตรัสรู้นิโรสัจและก็ตรัสรู้อริยมรรสทีนี้อริยสัจสี่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในชีวิตที่เป็นจริงทํำยังไงเราจะเอาความรู้ความเข้าใจในอริยสัจมาใช้ในชีวิตตามเป็นจริงได้ถ้าเราใช้ได้อย่างนี้ปฏิบัติได้ตามนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม ก็คือปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเรียกว่าทางเดินของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าทางของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ทางเหล่านี้ก็ไม่มีทีนี้เราต้องอต้องให้ความสำคัญว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเรามั่นใจได้อย่างไรว่ากาลังทาตามที่พระพุทธเจ้าบอกอยู่นะ ย่ามาทามีวิธีไหนมัน่งสามารถเช็คตรวจสอบว่าเออเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นไปตามอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกทุกประการเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเป็นให้เป็นผู้ให้คะแนนอย่งนั้นเถอะให้คะแนนได้เนี่ยนะให้คะแนนตรวจสอบวัดผลมาเออถูกต้องเนี่ยนะเพราะถ้าหาว่าไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยแล้วเรารู้ได้ยังไงคิดง่ายๆว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยนะโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเลยอยอมาถึงไหน เรานะออกจากบ้านก็นขับรถไปเรื่อยๆนะเอาเคีย์เหยียบแต่ร้อยห้าสิบอย่างเดียวเลยนะถ้าไปสักสามปีเนี่ยอ่ะถึงไหนเนาะะถ้าดีนะถ้าถนนมันวนก็ยังชั่วนะนะวนอยู่แต่รอบๆ บ, บริเวณนั้น่ถ้าถนนไม่วนเนี่ยโอ้ถึงไหนนาะนี่ก็เหมือนกันนะการปฏิบัติของเราบอกโอ้เขาปฏิบัติไปไกลแล้วบอกถึงไหนเนาอย่างนั้นนะถึงที่ไหนเนาะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบการตรวจสอบนั้นถือว่าเป็นความรอบคอบเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องมากแต่เป็นความ รอบครอบในโลกนี้ให้ความสําคัญกับคำว่ารอบครอบเนี่ยสูงมากแม้แต่ทุกข์อาริยสัจเนี่ยนะเขามีความหมายว่าทุกเนี่ยควรทำยังไงอริยสัจมีสี่ประการทุกควรรอบรู้หรือควรไปศึกษาอย่างรอบครอบอ น, นะรอบรู้กับรอบครอบเนี่ยความหมายคล้ายคลึงกันเนี่นะก็คือเข้าไปรอบรู้ไปปรับความรู้ปรับความเข้าใจว่าทุกเหล่านั้นนะคืออะไรนะ แล้วต่อไปสมุทัยเนี่ยทํำยังไงก็คือควรละแล้ววิธีละมีอยู่กี่วิธีละเด็ดขาดละอย่างไรเป็นต้นแล้วนิโรธอริอันิโรธคือพระนิพพานควรทําให้แ จ, แจ้งแจ้งอย่างไรหนอนิยมเข้ามาถามมันา ม, มาบอกว่าท่านท่านไอ้ที่ว่าทําให้แจ้งนี่มันแจ้งยังไงเขาว่าเงินเหมือนลืมตานี่เลยใช่หมเขาว่างงินเออมันแจ้งเนี่ยเหมือนเปิดไฟแล้วมันมองเห็นอย่างงี้ใช่ไหมก็เรียกว่าแจ้ง เออขาก็ถามดีอนะแล้วก็ตอบอย่างกันนะแจ้งอย่างนี้เลยไม่ท่านว่าไงบอกว่าอริยสัจเนี่ยมันต้องแจ่มแจ้งแบบนั้นเลยแหละเพราะอะไรเพราะสมัยพุทธกาลนะเวลาเขาฟังธรรมจบเขาบอกว่าแจ่มแจ้งนักพระเจาา้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจาา้าค่ะว่าไนเขาฟังธรรมจบเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแจ่มแจ้งนักพระเจาา้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจาา้าค่ะเหมือนงายของที่คว่ําำหงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดนั่นหละเขาเขานิยามของเขาเข้าใจธรรมะนี่เขาเป็นอย่างนั้นของคนสมัยนั้นอ่ะนะคนสมัยนั้นเขามาเนี่ยไปอินเดียว่าจะไปปีละหลายครั้งรเงี้ยนะตั้งใจจะไปให้มันได้ปีละหลายๆายครั้งหน่อยบอกว่าไปทำไมไปอยากรู้จริงๆว่าเขารู้อะไรกันสมัยนั้นอ่านพระไตรปิฎกให้มันเยอะๆไว้ก่อน เสร็จแล้วก็ไปแต่ละที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนว่าอย่างไรสอนให้รู้อะไรแล้วเขารู้แล้วเขารู้ว่ายังไงบ้างนะไปพยายามจะไปนะเนี่ปีนี้ไปแค่สามครั้งเองอนะนะปีหน้าใครว่าอีกทีว่าจะไปสักกี่ครั้งดีตอนแล้วแต่มีตัวถ้ามีตัวบ่อยก็ไปบ่อยกหมือนกันปีนี้ไปกุมภาพก็ไปตุลาเข้าไปพฤศจิกาเข้าไปกลับเมื่อหนึ่งธันวาอันะั ปีก่อนหน้านั้นก็ไปไปทุกปีนั่นแหละบอกไปทําไมบอกไปอยากรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแต่มต้องอ่านไปให้เยอะก่อนนะไม่งั้นก็ไปเห็นแต่ต้นไม้นั่นแหละบอกถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปนั่งใต้ต้นโพดูนั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีความรู้อะไรก็ไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนไปเที่ยวสุขโขทัยอยุธ ย, ยาธรรมดา น, นี่แหละไม่มีอะไรมันจะต้องพยายามที่จะหาความรู้ให้ให้เพียงพอเพราะฉะนั้นอถ้าหากว่าเราไม่รู้เนี่ยนะมันถือว่า ไม่รู้นะเขามาใช้คําว่าเสียดายชาติเกิดเนี่ยนะเสียดายจริงๆที่มาพบพระพุทธศาสนามาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์อย่างที่กล่าวตอนต้นเมื่อกี้บอกว่าผู้ที่จะตรัสรู้มีอยู่สามประเภทเท่านั้นหนึ่งตรัสรู้เองคือเป็นพระพุทธเจ้าแต่ต้องสร้างบารมีมาเขามีกติกาเงื่อนไขตถาอคโตหรือตถาคตเนี่ยนะผู้สเสด็จมาอย่างนั้นก็ต้องสร้างบารมีขนาดไหนจึงจะได้เป็น พระพุทธเจ้าได้สองพระปัเจกับพระพุทธเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะได้เป็นพระปัเจกับพระพุทธเจ้าอย่างที่สามพุทธสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ตัดสรุปตามนี่ถ้าตัดสรุปตามถ้าเราไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุปอะไรแล้วเราจะตัดสรุปตามว่าอย่างไรเนี่ยนะ